คนที่คิดว่าตัวเองมีเวลาน้อยจะเห็นคุณค่าของเวลาแม่นิดหน่อยคนที่จะตายจึงเห็นว่ามีเวลาน้อยจะใช้เวลาที่เหลืออยู่ตรงเนี้ยเอามาเป็นประโยชน์ต่อการภาวนาแต่คนคิดว่ายังไม่ตายหรอกอีกนานก็จะล้นลาไปเรื่อยๆและคนเป็นอย่างนี้เศร้าโศมากใช่ไหมเวลาท่านให้นึกถึงความตายท่านจึงให้ดูเพื่อให้ไม่ประมาท ไม่ใช่ขู่ให้กลัวนั้นขันธมารถ้าเห็นว่าขันทั้งห้าเหล่านี้เนี่ยเป็นเครื่องเตือนใจแล้วก็มัจจุมารก็เป็นเครื่องเตือนใจอีกซ้าอีกครั้งว่าเวลาแห่งขันเนี่ยก็มีน้อยแต่ขันธมารเนี่ยเราจะ ร, รู้ได้ยากต้องใช้มัจจุมารมาเตือนจริงแล้วมารทั้งห้าเนยนะถ้ามองในแง่เป็นตัวขวางเป็นอุปสรรคก็เป็นอุปสรรคจริง ถ้าเราประมาทชีวิตนี้ถ้าเกิดมาเป็นคนแล้วไม่ได้พัฒนาตัวเองเลยแล้วตายไปไอ้ตอนตายเป็นมัจจุมารความตายมันเป็นตัวขัดขวางทำให้ชีวิตนี้เกิดมาแล้วหมดเวลาพัฒนาตายไปก็ไม่แน่ว่าจะมาเกิดเป็นคนหรือเปล่าบุญพอหรือเปล่ายังไม่รู้แต่ที่แน่ๆเลยว่าหมดสิทธิ์แล้วชีวิตนี้หมดสิทธิ์ไปแล้วหมดเวลามัจจุมานจึงเป็นตัวขัดขวางว่า ทำให้เวลามีจํากัดเวลาของเราเนี่ยมีจํากัดเกิดขึ้นมาแล้วต้องตายทุกคนถูกตัดสินประหารชีวิตทุกคนแล้วตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่ปฏิสนธิจริงๆไม่ใช่เพาะพวกเราเหรอกทั้งเทวดาทั้งสัตว์ทั้งหมดเลยที่เกิดอยู่ในโลกสามโลกเนี่ยทั้งอยู่ในกามปรพบรูปประพบอรูปประพบสามโลกนี่คือพวกนี้ เกิดแล้วต้องตายทุกที่ดังนั้นถ้าเห็นว่าความตายเป็นเครื่องเตือนมัจจุมานกลายเป็นมัจจุมิตรอธจบายอย่างนี้รู้สึกว่ามารไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ใช่